เรื่องที่สิบสามปอเนาะสี่จังหวัดภาคใต้แทบทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับสี่จังหวัดภาคใต้มักจะมีผู้คิดแลนะพูดถึงระบบการศึกษาชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมในภาคนั้นคือการศึกษาแบบปอเนาะเพราะปอเนาะเป็นแหล่งชุมนุมเพื่อการศึกษาของมุสลิมหนุ่มที่ได้รับการนิยมอย่างกว้างขวาง นักปกครองเป็นจนํานวนมากที่มุ่งหวังว่าปอ น, นอจะช่วยแก้ปัญหาทางการปกครองนักการศึกษาก็คิดหวังว่าการลดจํานวนคนอ่านหนังสือไทยไม่ออกใน4จังหวัดนั้นซึ่งขณะนี้มีอยู่มากกว่า 60% เและอีกไม่น้อยกว่าจํานวนนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้เลยจำต้องอาศัยความร่วมมือจากปอ น, นอแม้ทางทหารก็มีผู้มุ่งหวังเช่นนั้นอยู่มาก คือหวังว่าปอนอจะช่วยเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความปรารถนาดีของเราต่อพี่น้องชาวมุสลิมเหล่านั้นและขจัดปัญหาขัดข้องในการฝึกและอบรมทหารตลอดจนการสั่งการซึ่งประสบความยุ่งยากลำบากมาเป็นเวลาช้านานแล้วให้หมดสิ้นกันสิธทีดังนั้นปอนอจึงเป็นที่สนใจของวงการทั่วไปอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากปอนอเป็นแหล่งศึกษาที่อ่อนโฆษณาจึงทำให้คนวงนอกไม่สู้จะเข้าใจเรื่องราวของปนโดยถูกต้องเท่าที่ควรนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังอาจมีผู้คิดนึกเพ่งเล็งไปในทางผิดก็ได้ในฐานะที่ปอนอเป็นสถาบันทางศาสนาโดยตรงข้าพเจ้าจึงคิดว่าหากเล่าเรื่องปอนอสู่กันฟังบ้างก็คงจะได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย แต่ก็จะขอเล่าเพียงเป็นการแนะนำในหลักการใหญ่ๆเท่านั้นท่านที่นั่งรถไฟผ่านเกตจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์เรื่อยลงไปจนสุดดินแดนไทยและท่านผู้เดินทางโดยรถยนต์ผ่านท้องถิ่นดังกล่าวนั้นหากสังเกตให้ดีนานๆจะเห็นหมู่กระท่อมเล็กๆตั้งอยู่เป็นหย่อมเป็นหย่อมมีกระท่อมราว3ามสถึงหลังแต่บางแห่งก็มากกว่านี้ ข้างบนปกคลุมด้วยต้นไม้ประเภทยืนต้นซึ่งเกิดแทรกสลับระหว่างกระท่อมเหล่านั้นทำให้บรรยากาศเยือกเย็นและบางทีก็ดูวิเวกวังเวงด้วยหมู่กระท่อมเหล่านี้เรียกตามภาษาพื้นบ้านว่าปอเนาะซึ่งเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าปอนดาแปลว่ากระท่อมปอนะไม่ใช่วัดไม่ใช่สมาคมไม่ใช่ค่ายชุมนุม แต่เป็นสถานศึกษาศาสนาอิสลามซึ่งชาวมุสลิมปฏิบัติสืบๆกันมาตั้งแต่โบราณกาลและบำรุงรักษาไว้ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะปอนอะเป็นแหล่งศึกษาวิชาศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชนชาวมุสลิมโดยเฉพาะเรา อ, อาจกล่าวได้ว่าศรัทธาอันเก่ากล้าที่ฝังอยู่ในแทบทุกดวงใจของมุสลิมได้รับการชุบย้อมและเสริมสร้างมาจากปอนเนะนี่เอง เนื่องจากปอนเนาะเป็นสถานศึกษาและอบรมทางศาสนาและเป็นงานประเภทกุศลของเอกชนทางราชการจึงไม่ได้ยื่นมือเข้าเกี่ยวข้องเพียงให้ความดูแลอยู่ห่างๆเฉพาะอย่างยิ่งในทางความปลอดภัยของปอเนาะเท่านั้นจนกระทั่งมาเมื่อปีพุทธศักราช2503คือเมื่อปีกลายนี้รัฐบาลคงจะเล็งเห็นความสาคัญของปอนเนาะโดยถูกต้อง จึงได้ยื่นมือเข้าให้ความสนับสนุนโดยถือว่าการพัฒนาปนเปกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา4จังหวัดภาคใต้ด้วยโดยนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วกระทรวงศึกษาธิการด้วยความสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยจึงได้เปิดการชุมนุมแบบสัมมนาขึ้นที่จังหวัดภาคใต้เมื่อ 12-17 พฤศจิกายน2502เป็นเวลา1สัปดาห์ วัตถุประสงค์ของการชุมนุมครั้งนั้นเพื่อพิปายปัญหาการพัฒนาปลเนาะโดยเฉพาะได้มีบุคคลสำคัญสำคัญของชาวมุสลิมซี่จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมสัมมนาด้วยจำนวน100คนประกอบด้วยกรรมการอิสลามดาโต๊ะยุติธรรมโต๊ะครูและผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนรวมทั้งให้ยีต่วนสุวรรณศาสตร์จุราราชมนตรี คือหัวหน้าใหญ่ของมุสลิมซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นทางการและนายเจอับดุลลาหลังปูเตอเดียวรัฐมนตรีผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในวงการเมืองและการศาสนาอิสลามด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แห่งกระทรวงศึกษาธิการครบครันมีรัฐมนตรีรองประหลัดกระทรวงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่าน ดังนั้นการสัมมนาว่าด้วยปอนเนาะครั้งนี้จึงนับว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ในวงการศึกษาของมุสลิมในสีจังหวัดภาคใต้โดยที่ทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลกับประชาชนได้ให้ความร่วมมือและความเข้าใจดีต่อกันอย่างใกล้ชิดความจริงชาวมุสลิมเป็นคนสนใจในการศึกษาและมีความเชื่อฟังดีมาก หากแต่เป็นคนมีศรัท ธ, ธาแรงกล้านในพระพินเจ้าและมีการยึดถือว่านของพระศาสดาน บ, บีมูฮัมมัดอย่างเคร่งครัด <c oughs> เหนือคำสั่งและคำขอร้องของใครๆการที่บุคคลชั้นนำของชาวมุสลิมจำนวนร้อยตกลงรับการช่วยเหลือพัฒนาปอนเนาะจึงนับไดว้ว่าเป็นการไตรตรองด้วยสติปัญญาอันรอบคอบแล้ว จะเห็นได้จากถ้อยคำ p ระ s ายของจุฬาราชมนตรีในโอกาสเปิดประชุมสมนาครั้งนั้นซึ่งเผยแพร่โดยสำนักมุสลิมกลางพระนครซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าแต่จริงการฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ประคับปัญชานั้นชาวมุสลิมต้องเชื่อฟังไม่ว่าจะชอบหรือไม่ตราบเท่าที่คำสั่งนั้นไม่ขัดต่อหลักของศาสนาอิสลาม แต่ถ้าหาคำสั่งนั้นขัดต่อหลักของศาสนาแล้วจงอย่าฟังและอย่าปฏิบัติทั้งนี้ท่านจุลาราชมนตรีได้อ้างว่าเป็นพระดำรัสของศาสดานบีมุฮัมมัดผลจากการสมนาัาครั้งนั้นได้มีการวางระเบียบสนับสนุนและควบคุมกิจการป่อนน้อไว้อย่างกว้างๆโดยกำหนดให้ผู้ที่จะจัดตั้งป้อนนอต้องยื่นคาร้องของอนุญาตจากทางราชการก่อน จึงจะดาเนินการได้แต่ระเบียบนี้ก็ใช้บังคับเฉพาะปอนเนาะที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2,504 เป็นต้นไปเท่านั้นมีได้บังคับให้ปอนเนาะที่ตั้งมาก่อนแล้วให้จดทะเบียนใหม่นอกจากความสมัครใจเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้และต่อไปปอนเนาะใน4ีจังหวัดภาคใต้จึงมี2ประเภทคือ 1. ปอนเนาะที่จดทะเบียนอยู่ในความควบคุมของทางราชการ 2. ปอนเนาะที่ไม่ได้จดทะเบียนดาเนินการเป็นอิสระเจ้าหน้าที่ปอนเนาะปอนเนาะประเภทที่1นนั้นโดยปกติแล้วจะต้องมีกระท่อมอย่างน้อยห้าหลังและมีนักเรียนอย่างน้อย10คนกับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดังนี้เจ้าของปอนเนาะอาจเป็นเอกชนหรือนิติบุคคลก็ได้โต๊ะครูปอนเนาะเป็นผู้มีวุฒิทางศาสนาอิสลาม ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ประจาปอนเนาะหนึ่งคนครูและครูผู้ช่วยเป็นผู้มีความรู้ในวิชาที่จะทำการสอนในปอนเนาะมีหน้าที่สอนประจาชั้นบุคคลทั้งหมดนี้ต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากคณะกรรมการอิสลามและจากทางราชการคือผู้ว่าราชการจังหวัดชั้นการศึกษา การศึกษาในปอนะใช้หลักสูตร3าปีโดยแบ่งออกเป็น3าชั้นและเลื่อนชั้นด้วยการสอบไล่คือชั้นประโยคต้นเรียกว่าชั้นอิบตีตาอีชั้นประโยคกลางเรียกว่าชั้นตานาวีชั้นประโยคปลายเรียกว่าชั้นอาลีผู้สอบไล่ได้แต่ละชั้นมีใบประกาศนียบัตให้โดยมีลายมือชื่อผู้ออกประกาศนียบัตดังนี้ 1. ใบประกาศนียบัตชั้นต้นผู้ลงนามคือ ต, ต๊กครูประจำปอเนาะผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ฝ, ฝ่ายมุสลิมนามเภอและกรรมการมุสลิมท้องถิ่น2ใบประกาศสนียบัตชั้นกลางผู้ลงนามคือประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและต๊กครูประจาปอนเะนาะ 3. ใบประกาศนียบัตชั้นสูง ผู้ลงนามคือจุฬาราชมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและโต๊ะครูประจําปนเะวิชาที่สอนในปเนเะวิชาที่สอนในปอนเนานั้นมีสาหมวดและมีอัตราเวลาสอนต่อหนึ่งสัปดาห์ดังนี้วิชาศาสนาอิสลาม27ชั่วโมงวิชาภาษาไทย4ชั่วโมงวิชาชีพ4ชั่วโมง ตามอัตราเวลาที่แสดงนี้ท่านจะเห็นว่าการสอนวิชาภาษาไทยยังน้อยมากแม้ว่าครูจะทำการสอนอย่างตรงไปตรงมาคือสอนเต็ม4ี่ชั่วโมงทุกสัปดาห์ <c oughs> ก็ยังไม่พอที่จะให้นักเรียนเขียนและพูดภาษาไทยได้ดีพอวิชาศาสนาอิสลามบังคับใช้คัมภีร์ต่างๆที่เป็นภาษาอาหรับหรือมะลายูเท่านั้นซึ่งจะสอนเกี่ยวกับความรู้ทางศาสนาล้วน เช่นวิชาเตาวฮิตคือบทพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงวิชาตะซอฟคือการปฏิบัติพระเจ้าวิชาตันวิดคือการปฏิญาณ น, นอกจากนี้ก็ยังมีพวกวยากรนซอรอฟวยากณนนาหูซึ่งเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ ในชั้นสูงก็มีเพิ่มวิชาวัยากรมันเต็ก ค, คือปรัชญาฝ่ายส s ามและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามอื่นๆอีกวิชาภาษาไทยเพ่งเล็งถึงการพูดการฟังการอ่านและการเขียนวิชาชีพมีการเกษตรอุตสาหกรรมและอื่นๆซึ่งให้แต่ละปอนเนาะเลือกทำการสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การพัฒนาปอ น, นอครั้งใหญ่นี้เป็นการแสดงให้โลกเห็นแน่ชัดยิ่งขึ้นว่ามุสลิมเป็นผู้รักการศึกษาและแสดงว่าศาสนาพุทธกับอิสลามไม่เป็นสิ่งกีดขวางแห่งความรักใคร่อันสนิทระหว่างพวกเราชาวไทยพุทธกับชาวไทย إسلام ที่จะยืนหยัดป้องกันชาติศาสนาร่วมกันช่วนี้รันดอน7เมษายน 2,504